หลายปีมาแล้วบริษัทเยนเนอร์รันอิเล็กทริกวงเล็บเปิด G.E. วงเล็ปิดเผชิญกับความยากลำบากที่จะย้ายชานสไตเมตจากหัวหน้าแผนกหนึ่งหนึ่งชานสไตเมดเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งคนหนึ่งในทางด้านไฟฟ้าก็จริงแต่ทางบริษัทประสงค์จะให้ออกจากหน้าที่หัวหน้าแผนกคำนวณของบริษัทเพื่อบรรจุผู้อื่นที่มีสมรรถภาพเหนือกว่า แต่บริษัทไม่อยากให้เขาหมางใจในการออกจากหน้าที่เก่าเพราะบริษัทยังต้องการและจําเป็นได้เขาไว้ทํางานกับบริษัทต่อไปทางบริษัทรู้ดีเขาเป็นคนใจน้อยอย่างไรบ้างดังนั้นบริษัทจึงมอบตําแหน่งใหม่แก่เขาคือตําแหน่งนายช่างที่ปรึกษาของบริษัทยานเนอร์แลนด์อิเล็กตริกตำแหน่งใหม่ซึ่งงานที่เขาจะต้องปฏิบัติก็คืองานที่เขากําลังปฏิบัติอยู่แล้วแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นหัวหน้าแผนกแทน ชานไตเมตได้รับความพอใจทุกประการและทางฝ่ายบริหารของบริษัท EE ก็ได้รับความพอใจทุกประการเช่นเดียวกันเขาเหล่านี้เปลี่ยนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนขี้โมโหได้สำเร็จเรียบร้อยโดยปราศจากการกระทบกระทั่งทั้งนี้เนื่องจากใช้หลักคู่หน้าของเขาไว้ คู่หน้าของเขาไว้มันเป็นสิ่งสำคัญและสำคัญอย่างใหญ่หลวงทีเดียวพวกเขาน้อยคนนักที่จะหยุดคิดถึงสิ่งนี้เรามักจะขี่ม้าสวมเกือกมีตาปูแหลมคมย่ำลงไปที่ความรู้สึกของผู้อื่นด้วยการถือเอาแต่ใจของเราฝ่ายเดียวเช่นคอยจะผิดขู่ตะคอกดุว่าเด็กหรือเสเมียนพนัก ง, งานต่อหน้าผู้อื่นโดยปราศจากความยั้งคิดว่าเป็นการทาให้ปวดร้าวชอกช้าแก่เกียรติยศของเขาอย่างไรบ้าง ในเมื่อเพียงแต่สงบจิตใจใช้ความคิดสักประเดี๋ยวหนึ่งใช้วาจาที่ประหยัดถ้อยคําเพียงไม่กี่คํามีความเห็นใจในการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความปวดร้าวขุณเครื่องอย่างใดเลยถ้าหากว่าท่านมีความจําเป็นและจําใจต้องเลิกจ้างคนใช้หรือเสมียนพนักงานจงอย่าลืมใช้วิธีดังต่อไปนี้การเลิกจ้างเสมียนพนักงานไม่เป็นของสนุกเลยยิ่งกําลังจะบอกเลิกจ้างด้วยแล้วยิ่งไม่สนุกใหญ่วงได้เปิด ข้าวเจ้าอ้างข้อความในจดหมายฉบับหนึ่งเขียนถึงข้าวเจ้าโดยมาแชลเอเกรนเยอร์ผู้ตรวจบัญชีบริษัทต่างๆวงเล็บปิดกิจการของเรามีชุกเป็นครั้งคราวเท่านั้นเหตุนี้เองทางสำนักงานจึงจำเป็นจะต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวนหนึ่งในเดือนมีนาคมเราผู้อยู่ในอาชีพนี้ต่างถือกติว่าการทำอะไรอย่างผงผางไว้อำนาจเป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนา ตามปกติการให้คนออกจากงานมักจะ ก, กระทำกันอย่างไม่ให้เสียเวลาและด้วยการพูดทำนองนี้นั่งก่อนมิสเตอร์สมิธเดี๋ยวนี้หมดฤดูงานชุกแล้วเราไม่มีหน้าที่อะไรให้ท่านทำต่อไปอีกท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเราจ้างท่านเฉพาะสำหรับฤดูที่มีงานมากเท่านั้นและอื่นๆผลก็คือเขาผู้นั้นจะเกิดความไม่พอใจและรู้สึกว่าถูกตัดหางปล่อยวัด ส่วนมากของคนเหล่านี้ทำงานเกี่ยวกับการบัญชีมาจนตลอดชีวิตและเป็นธรมรมดาอยู่เองที่เขาจะไม่อาลัยอาวอนต่อบริษัทที่ไม่ได้จ้างเขาไว้อย่างถาวรเมื่อเร็วๆนี้ผมตกลงใจที่จะเลิกจ้างพนักงานซึ่งจ้างมาเป็นพิเศษหมู่หนึ่งด้วยการใช้วิธีอันละมุนละไมกว่าปกติ รันแล้วผมเรียกพนักงานเหล่านี้เข้ามาหาผมในห้องทีละคนซึ่งทุกคนผมพิจารณาด้วยความรอบครอบว่าในระหว่างฤดูหนาวเขาปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วผมพูดกับเขาในทำนองนี้มิสเตอร์สมิธท่านทำงานได้เรียบร้อยมากวงเล็บเปิดถ้าเขาทำเรียบร้อยจริงๆงวงเล็ปิดตอนเมื่อทางบริษัทส่งท่านไปนิวอาร์ท่านได้ปฏิบัติงานอย่างขายันขันแข็งงานนั้นยากลาบากอย่างที่สุดแต่ท่านฟันฝ่า จนปรากฏผลเรียบร้อยทุกประการซึ่งทางบริษัทอยากจะให้ท่านรับรู้ไว้ว่าบริษัทรู้สึกภูมิใจในท่านอย่างยิ่งแม้ท่านจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่อยู่ห่างไกลหรือที่ใดๆก็แล้วแต่ท่านทำงานได้เรียบร้อยทุกคราวบริษัทเชื่อเสมอในความสามารถของท่านรู้สึกซาบซึ้งในการปฏิบัติงานของท่านซึ่งบริษัทขอให้ท่านอย่าได้ลืมความรู้สึกนี้ของบริษัทเสียเป็นอันขาดผลหรือท่าน คนเหล่านี้จากบริษัทไปด้วยความรู้สึกสะเทือนใจเพียงเล็กน้อยในการถูกเลิกจ้างเขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกตัดหางปล่อยวัดเขารู้แก่ใจดีว่าถ้าบริษัทมีงานให้เขาทําบริษัทจะต้องจ้างเขาไว้และเมื่อบริษัทต้องการจ้างเขาอีกเขาจะทํางานกับบริษัทด้วยความเต็มอกเต็มใจอย่างแท้จริงดไวโมอโรผู้ล่วงรับเป็นคนเฉลียวฉลาดอย่างยากจะหาผู้เสมอเหมือนในการไกลเกลี่ยคู่วิวาทที่หมายมั่นปั้นมือจะเอาชีวิตซึ่งกันและกัน เขาทำอย่างไรหรือท่านเขาอาศัยหลักพินิษพิเคราะห์ว่ามีสิ่งใดบ้างสำหรับทั้งสองฝ่ายที่ถูกต้องและยุติธรรมครั้นแล้วเขาจะยกย่องสนับสนุนและอธิบายให้คู่วิวาสเข้าใจในเหตุผลซึ่งมีความเห็นขัดแย้งกันการวิวาสนั้นจะเป็นที่ตกลงกันในแบบไหนก็ตามเขาไม่เคยกล่าวปรักปรำว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ผิดวิธีนี้ผู้ทำการไกลเกลี่ยทุกคนรู้ดีคู่หน้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไว้ แม้แต่บุคคลใหญ่โตซึ่งโลกรู้จักดีไม่ยอมเสียเวลาที่จะกำแหงในใชัยชนะของเขาจนไม่กู้หน้าผู้แพ้เรื่องมีดังนี้ในปีคริสตศักราช1922หลังจากเป็นศัตรูกันมาหลายศตรวรรษพวกตุรกีตกลงใจที่จะขับชนชาติกรีกออกไปจากดินแดนของตนชั่วกระลานานมุสตาฟาเคมานกล่าวสุนทรพจน์แก่ทาหารของเขาในแบบเดียวกับนับโปรเลียนด้วยคำพูด จุดหมายปลายทางของท่านทั้งหลายคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครั้นแล้วสงครามอันดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบันอุบัติขึ้นพวกตุรกีประสบชัยชนะและเมื่อตอนแม่ทัพสองคนของกรีกไตรกูปิดและดิโอนิสถูกนำตัวไปยังกองบัญชาการของเคมานเพื่อขอยอมแพ้ประชาชนตุรกีต่างขอให้สวรรค์สาปแช่งศัตรูผู้ปราชาชัยของตนแต่อากับกิริยาของเคมาน มิได้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเลยแม้แต่น้อยเชิญนั่งท่านสุภาพบุรุษเคมานพูดจับมือแม่ทัพทั้งสองท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยครั้นแล้วหลังจากสนทนากันถึงเรื่องการรบเขาปลอบขวัญแม่ทัพทั้งสองให้หายเศร้าใจในความพ่ายแพ้สงครามเขาพูดในอาการทหารคนหนึ่งพูดกับเพื่อนทหารด้วยกันเป็นเกมชนิดหนึ่งซึ่งคนฝีมือดีที่สุดในบางครั้งก็กลายเป็นฝีมือเร็วที่สุดได้ แม้แต่ในขณะกำลังเปี่ยมล้นอยู่ในความปิติยินดีต่อชัยชนะเคมานยังจำกฎสำคัญนี้ได้วงเล็บเปิดกฎที่ห้าวงเล็บปิดจงกู่หน้าอีกฝ่ายหนึ่ง